Mm hmm. แบบนี้นะให้เราลองมองว่ามันเป็นธรรมดาอย่าไปมองว่าเป็นปัญหาเมื่อเรามองว่ามันเป็นธรรมดาเราก็เพียงจะปรับตัวหรือว่าปรับใจเช่นตั้งใจฟังให้มากขึ้นแล้มันจะมีเสียงกระทบสังกษีก็เป็นธรรมดา แต่เมื่อเดี๋ยวก็ตามที่เรามองว่าฝนตกเป็นปัญหาเราจะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยเกิดความวิตกกังวลมีความไม่พอใจมีความทุกข์สารพัดทันทีที่เรามองว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยฝนตกไม่เป็นปัญหานะ สำหรับพวกเราที่อยู่ที่นี่แต่ว่าการมองว่าฝนตกเป็นปัญหานั่นแหละคือตัวปัญหาที่แท้จริงฝนตกนี่ไม่เป็นปัญหาแต่การที่เรามองว่าฝนตกเป็นปัญหานั่นแหละคือตัวปัญหาที่แท้จริงมองให้ถูกมองให้เป็นมันก็เหมือนกับ ความฟุ้งซ่านในใจเรามันไม่ใช่ปัญหานะมันเป็นธรรมดาแต่ทันทีที่เรามองว่าความฟุ้งซ่านเป็นปัญหาอันนั่นแหละปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็คือเราจะทุกข์ใจเราก็จะไปพยายามไปกดคม่มความคิดไม่ให้ฟุ้งซ่าน พยายามบังคับจิตให้เพ่งอยู่กับมือเพ่งอยู่กับเท้าทำไปทำไปก็จะเครียดจากเดินแค่ฟุ้งซ่านเฉยๆกขานีเครียดแล้วพอไปบังคับจิตด้วยความหวังว่ามันจะไม่ฟุ้งซ่านต่อไปเครียดแล้วก็เป็นยังไงก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่ก็ยิ่งไปบังคับจิตไม่ให้คิด บังคับจิตให้จดจอหนักเข้าไปอีกก็เลยคนนี้เริ่มปวดหัวเริ่มแน่นหน้า อ, อกเพราะว่าหายใจไม่ไม่เต็มที่สังเกตหรือเปล่าเวลาเราเดินจงกรมหรือเราสร้างจังหวะเนี่ยถ้าเราเพ่งมากๆเนี่ยมันจะกลั้นหายใจ เวลาเกิดความคิดขึ้นมาหลายคนเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ตัวมันเหมือนกับเวลาเราสนเข็มมันนะเวลาเราสนเข็มสังเกตนะเราจะกั้นหายใจขณะที่เราพยายามจะเอาปลายได้เนี่ยสอดเข้าไปในรูแต่ว่านั่นไม่ค่อยเทอนไหลเพราะว่าเราสนเข็มก็ใช้เวลาไม่นานแต่พอเราปฏิบัติ และเราพยายามเพ่งบังคับจิตพอมีความคิดเกิดขึ้นก็เบรกมันห้ามมันเราก็กั้นลมหายใจโดยไม่รู้ตัวพอเป็นอย่างนี้มามากเข้าก็จะเริ่มปวดหัวเริ่มแน่นเน่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะวาความฟุ้งซ่านนะแต่เพราะการที่เรามองว่าความฟุ้งซ่านเป็นปัญหาต่างหาก แล้วถ้าเพียงแต่ฟุ้งซานแล้วเราก็ดูมันไปเฉยเฉยมันเป็นธรรมดาก็ดูนไปรู้ทันมันบ้างไม่รู้ทันมันบ้างไม่เป็นไรช่างมันเริ่มต้นใหม่แค่ดูเฉยเฉยไม่ได้มองว่ามันคือตัวร้ายไม่ได้มองว่ามันคือปัญหาการปฏิบัติของเราก็จะราบลื่นก็จะรู้สึกโปร่ง ตรงข้างบาคนที่มองว่าความฟุ้งซ่านเป็นปัญหาก็จะยิ่งไปกดไปขมมันอารมต่างๆก็เช่นเดียวกันนะที่เราเร็วนิวรณ์นะความฟุ้งซ่านก็เป็นนิวรตัวหนึ่งบางทีมันมีความขัดใจความไม่ชอบใจความโกรธความง่งเหงาหานอนความรังเลสงสยัย แล้วก็ความโหยหาคิดถึงอะไรสิ่งที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าคนรักไอ้พวกนี้นี่มันเป็นธรรมดานะใหญ่ไปมองว่าเป็นปัญหาว่าถ้าเรามองเป็นปัญหาเมื่อไหร่เราจะพยายามจัดการกับมันและในเวลาเดียวกันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเรามองมันเป็นปัญหาเราก็จะมีความทุกข์จะมีความขัดเคืองใจที่มันเกิดขึ้น แค่นั้นก็ทุกแล้วยิ่งไปพยายามกดข่มมันพยายามกำจัดมันมันก็ยิ่งเกิดแรงต้านก็ทำให้เราทุกข์มากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเกิดอาการทางกายปวดโน่นปวดนี่อันนั้นเพราะการที่เรามีใจเป็นลบรู้สึกเป็นลบกับสิ่งเหล่านั้นเพราะมองว่ามันเป็นปัญหาเราเพียงแต่รู้เฉยเฉยดูมันมเฉยเฉย หรือว่าถ้ายังดูมันไม่ได้ก็อย่าไปสนใจมันแค่รู้ว่ามันมีอยู่แต่ไม่ต้องไปสนใจมันมากรับรู้แต่กายก็พออย่าเพิ่งไปสนใจอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นเรียกว่ารู้กายอย่าเพิ่งไปมัวตั้งใจให้รู้ใจเพราะว่าสติเรายังไม่ไวพอเดี๋ยวก็เผลอกขาไปในความคิดในอารมณ์นั้นเราอย่าไปสนใจมัน แต่มันก็จะคอยเรียกร้องความสนใจจากเรานะแต่ถ้าเราเข้าไปไปต่อรอต่อเทียงกับมันนะเราแย่เลยเราจะเสร็จมันเนดะีย๋ยวไปคิดต่อรอต่อเทียงก็เพียงแด่ยไม่สนใจแค่รู้หรือดูชำเลืองหางๆไม่ต้องดูจ้องหน้ามันก็แค่ชำเลืองแล้วก็รับรู้มันเฉยๆแล้วก็ยกมือของเราไป การไปต่อล่าต่อเถียงกับมันเนี่ยทําให้เราเสียท่ามันมีหมาประเภทหนึ่งนะบางนี้ก็เป็นหมาน่ารักแต่ว่ามีนิสัยแปลกเจ้าของหลายคนก็เจอหมาประเภทนี้มันแล้วนะส่วนใหญ่ก็เป็นหมาที่เลี้ยงไว้ในบ้านที่มีโล่รอบขับชิดคือหมาในเมืองเจ้าของก็ดูแลใจใสดีรักมัน แต่เวลาเจ้าของไปทํางานไม่มีใครอยู่บ้านมันจะมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นกัดไม่ใช่กัดเก้าอี้กัดโต๊ะบางทีก็กัดโซฟาบางทีก็ฉี่บนโซฟาบ้างกัดพรมบ้งบางมันที่ก็ขี้เลยนะเจ้าของกลับบ้านมาเห็นก็จะว่ามันมันก็แทนที่จะเลิกมันก็กลัดพําอีก แล้วก็ทำหนักกว่าเดิมนี้เจ้าของก็โมโหกลับมาก็ตีมันยิ่งตีมันเหมือนยิ่งได้ใจมันเอาใหญ่เลยทั้งกัดทั้งขี่ทั้งทำลายข้าของสารพัดหมาที่น่ารักกลายเป็นหมาที่ก่อกวนไม่สละเจ้าของกลับมาบ้านเห็นเข้าของแพงๆเสียหายหมดก็ยิ่งตีมันหนักเข้าไปใหญ่แต่ว่า มันก็ไม่เคยเลิกพฤติกรรมเลยก็มีปัญหาว่าจะจัดการกับหมายอย่างไรผู้รู้นี่เขาบอกว่าผู้รู้ด้านหมานะเขาบอกว่าอย่าไปสนใจมันการที่เจ้าของไปตีมันหรือแม่ก็ทำไปเตะมันมันชอบนะเพราะว่าที่มันทำทั้งหมดเพื่อเรียกร้องความสนใจ เมื่อเจ้าของตีมันแต่มันแสดงว่ามันทําได้ผลมันก็ยิ่งทําใหญ่เลยนะเพราะเป็นหมาที่ต้องการความสนใจมันก็คิดว่ามันที่มันทําอาการปวด น, นี่มันได้ผลแล้วเจ้าของสนใจมันยิ่งทําใหญ่เขหนักเข้าไปใหญ่มันไม่ใช่เป็นการลงโทษนะสําหรับหมานะั่นไม่ใช่การลงโทษนั่นเป็นการแสดงความใส่ใจ นั้นผู้รู้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปสนใจหมากลับมาบ้านเห็นมันโผล่ยังไงก็ตามอย่าไปสนใจ ท, ทําทีเสมอกับว่ามันไม่มีตัวตนอยู่ในบ้านอันนั้นแหละจะเป็นการให้บทเรียนแก่หมาประเภทนั้นคือมันต้องการความสนใจแต่พอมันไม่ได้รับความสนใจ เจ้าของทําทีเหมือว่ามันไม่มีตัวตนมันก็จะเจ็บปวดมันก็รู้ว่ามันเหมือนว่ามันถูกลงโทษแล้วมันก็จะรู้ว่าการกระทําอย่างนั้นไม่ถูกไม่นานมันก็จะเลิกพฤติกรรมป่วนแบบนั้นเพราะว่ามันคนไม่ได้ที่เจ้าของทําทีเหมือนกับว่าไม่มีมันอยู่ในบ้านเลยให้บางทีอารมณ์ ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจความคิดพุ่งสร้างก็ค่าธรรมาประเภทนี้นะคือมันต้องการความสนใจจากเราพอเราไปต่อรอดต่อเถียงกับมันก็เหมือนกับว่าทําให้มันได้ใจมันก็เลยเอาใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทำทำกันพยายามไปกดข่มพยายามไปไปเล่น ง, งานมันนะมันเป็นวิธีการที่ มีแต่สร้างปัญหาให้กับตัวเราเองลองทำทีมันก็ว่าไม่สนใจมันแค่ชําเลือนด้วยหางตาแล้วก็ยกมือสร้างจังหวะไปเดินจงกรมไปแล้วทีละน้อยทีลน้อยเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปเองมันมีคนบางประเภทนะที่ที่จะมีอาการประชนิดหนึ่งคือหูแวว หรือบางทีเห็นภาพหลอนเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนนี่มันมีหนังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับประวัติของนักภิาศาสที่ดังมากเป็นคนที่อัจฉริยะเป็นคนที่คิดค้นทฤษฎีเกมขึ้นมาก็าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะแต่ว่าความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์มีเก่งมากคิดมาได้ตั้งแต่ยี่สิบกว่าแล้วก็ภายหลังก็ได้รางวัลโนเบลภายหลังเนี่ยคือว่าสี่สิปีหลังจากนั้นนะ ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเขามีอาการเขาเห็นภาพหลอนแต่ก็นั่เป็นภาพจริงมีสายลับ cia มาติดต่อเขาให้มาช่วยถอดรหัสเพื่อที่จะหาว่าใครเนี่ยเป็นเป็นสายลับของรัเสเซียอันนี้เมื่อห้าสิบปีที่แล้วมันมีการต่อสู้กันระหว่างสหรัฐกับรัเสเซียพวกนี้ก็มีการใช้รหัส หน้าที่ของนายแสาวนี่คือถอดรหัสซึ่งต้องใช้ความสามารถทางคณิตศาสต ร, ร์ชั้นสูงเราคิดเป็นตัวเป็นตากเลยว่าเขากำลังทำงานสำคัญของชาติมารู้ภายหลังว่าไอ้นั่นเป็นภาพหลอนมันไม่มีจริงแต่ว่าเขาก็กลายเป็นคนบ้าไปแล้วในสายตาของเจ้าโรงงานอนาคตกระดับรูป ตอนหลังเข้าไปรักษาตัวแล้วเขาก็เริ่มรู้ว่าอ๋อ น, นี่มันคือภาพหลอนแล้วเขาจะเห็นภาพวันนี้ประจํำมีภาพสายลับมาติดต่อเขาก็สายลับหน้าเดิมเนี่ยเขาร่วมมาเป็นภาพหลอนเขาก็พยายามต่อสู้พยายามขับไล่มันออกไปบางทีถึงกับชกต่อย แต่ว่ายิ่งเขาทาอย่างนั้นเขายิ่งยิ่งเป็นคนบ้านในสายตาของเพื่อโรงงานเพราะว่าเขาต่อยกับลมเขาชกลมแล้วก็ยิ่งขับไล่ยิ่งชกต่อยมันไอภาพหลอนนั้นก็ยิ่งมีอํานาจมากขึ้นโผบ่อยขึ้นสุดท้ายเขาก็ได้บทเรียนว่าไม่ต้องสนใจไอภาพหลอนนั้นมันจะมาก็มาปล่อยมันไป ใหม่ๆภาพหลอ น, น, นก็พยายามยั่วให้เขาโกรธเพื่อที่เขาจะได้ไปขับไล่ต่อยตีตอนหลังเขามีสติเขารู้ทันว่านี่เป็นอุบายของไอ้พวกภาพหลอนก็ก็ไม่สนใจชั้นแรกก็ทําได้นิดหน่อยบางทีก็ห้ามใจไม่ได้ต้องไปต่อยตีกับภาพหลอนนั้นเพราะว่ามานรบกวนความสุขของเขาแต่ตอนหลังเขาก็เฉย เมินเฉยมันไปเลยไอภาพหลอกนี่ก็พยายามยั่วยุยั่วยุไม่ได้ผลก็วิงวอนร้องขอนะมันมาหลายแบบนะเหมือนกลับมาเลยนะเหมือนกับมาที่เราเมื่อวานมันมาหลายรูปแบบเลเกินทั้งหลอกให้กลัวทั้งยั่วให้โมโหบางทีก็วิงวอนร้องขอแต่ว่านักการศกษาคนนี้นะเขาชินเนชเขาก็ไม่สนใจ ทีละน้อยทีละน้อยเอ้ภาพหลอนนั้นก็ค่อยเลือนหายไปเลือนหายไปจนกระทั่งเขาก็กลายเป็นคนปกติก็ใช้เวลาหลายเรียกว่ายี่สบสาสิบปีได้นันกว่าเขาจะกลับเป็นคนปกติแต่ในชีวจริงเขาไม่ได้เจอภาพหลอนนะเขาเจอเสียงหลอนแต่ว่ามันก็ใช้หลักการเดียวกันคือว่าไม่สนใจเสียงนั้นมันจะมาย่างไรเขาก็ไม่สนใจไม่มองว่าเป็นปัญหาอีกต่อไป แล้วก็ไม่สนใจด้วยแต่ก่อนเคี่ยวเป็นปัญหาก็เลยปล่อยตีมันสู้ลบปบมือกับมันเขาก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นนั่นในอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจาการปฏิบัตนะิมันก็คล้ายๆกันนะก็คือว่ามันจะคอยยัว่วคอยยุให้เราเข้าไปปั่นตูกับมันไปปล่อยตีมันแล้วเราก็ชอบทนอย่างนั้นซะด้วยการ จเจริญสตคิคือการที่เราเริ่มวางเฉยกับมันจะเรียกว่าอุเบกขาก็ได้หรือจะเรียกว่าวางใจเป็นกลางก็ได้วางใจเป็นกลางต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนี่หลวงพ่อคำแก่นก็สอนเราไว้คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างคือเฉยเฉยรู้เฉยเฉยวางใจเป็นกลางหรือว่า ไม่มองมันเป็นปัญหาอีกต่อไปแล้วทีระน้อยทีละน้อยเราก็จะมีสเตริรู้ตัวไวเข้างั้การมองอะไรว่าไม่เป็นปัญหาเนี่ยนะมันมันช่วยได้เยอะเลยนะซึ่งเอามาใช้กับเรื่องอยู่ในด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่มันเกิดขึ้นในใจฝนตกแดดออกอากาศร้อนนะพอเรามองว่าเป็นปัญหานี่ทุกเลยนะแต่เราลองมองว่ามันเป็นธรรมดาดูบ้าง พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยนะบางอย่างก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักเกี่ยวข้องกับมันอย่างมีสติไม่ทำโดยาการจงเกียจจงชังเพราะว่าบางครั้งไอ้ความจงเกียจจงชังนั่นแหละที่มันกลายเป็นตัวปัญหาหรือว่าสร้างปัญหาให้เพิ่มมากขึ้น เราก็คงรู้ใช่ไหมลิงเนี่ยนะ ม, นมันมีนิสัยอย่างหนึ่งคือมันเกลียดกระปินะลิงนี่เกลียดกระปิมากนที่ผูหลงนี่มีลิงหลายฝูงแล้วก็เวลาเวลาจะแกล้งมันก็เอากระปิยัดใส่ขนเหนียวนะ่มันคว้าก็เหนียวไปกินมือมันก็ติดกระปิแล้ลิงเนี่ยนะเวลามือมันเปื้อนกระปิเนี่ยนะ มันจะทำยังไงมันก็จอามือเนี่ยถูกับหินบ้างละถูกับต้นไม้บ้างละเปลือกไม้มันถูเสร็จแล้วมันทำงานถูเสร็จก็มาดมว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นก็ยังถูอีกมันถูถูถู ถ, ถ, ถ, ถูถูไม่เลิกนะจนทั่งบางทีเลือดไหลเลยมันก็ยังไม่เลิกถูหนังทะลอะ ก, ก็ยังถูต่อไป อันนี้ไม่ใช่ลิงที่ผูหลงนะอันนี้ลิงที่อื่นที่ปูหลงไม่ถึงขนาดนั้นนะมันก็จะถูถูไปจงรทั่งเลือดไหลเป็นแผลยังไม่เลิกถูอานนี้เดือดร้อนเลยแล้วนี่คำถามที่น่าคิดคือว่าที่ลิงมันเลือดไหลอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะกระปิหรือเปล่ามันไม่ใช่เพราะกระปีแล้วนะแต่เป็นเพราะความเกลียดกะปี กะปิไม่ทําให้ลิงเลือดไหลแต่ความเกียดกะปิเกียดอย่างแรงเลยเนี่ยทําให้ลิงเนี่ยนะมันมีแผลเพราะพอมันเกียดแล้วมันก็พยายามที่จะกําจัดกะปิด้วยวิธีอะไก็ได้มันไม่รู้จักใช้ทิชชู่นะมันก็ต้องใช้มือเนี่ยถู ก, กับเปลือกไม้เนี่ยกะปิไม่ใช่ปัญหาความเกียดกะปิหลังหากคือปัญหา หรือว่าก็ะเพียอจะเป็นปัญหานิดหน่อยแต่ว่าการที่เกลิกกระปีเนี่ยมันทําให้มันทําสิ่งที่เกินเลยหรือเรีย่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าโอเวอร์เรมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาบางทีความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะแต่ว่าพอเราไปไปตื่นต้นหมกับมันมากไป ไปวิตกมากไปมันก็ทําให้อาการของเราแย่ลงเพียงแค่วิตกกังวลด้วยความกลัวก็ทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับและทาให้สุขภาพแย่ลงบางคนเป็นมะเร็งหมอบอกว่าอยู่ได้สามเดือนแต่เอาข้อจริงอยู่ได้แค่สิบกว่าวันก็ตายก็มีอยู่ อันนี้ไม่ใช่พเพราะมะเร็งแต่ความกลัวมะเร็งความกลัวมะเร็งอย่างแรงก็ทําให้แย่ลงนอกจากความเกลียดความกลัวและความโกรธก็เหมือนกันนะคนบางคนอาจจ ะ, จจะทําตัวไม่น่ารักแต่ถ้าเกลียดเขามากๆนี่เราต้องหากที่แย่เองความดันขึ้นบางทีเซลล์หิในสมองแตกก็เพราะความโกรธ คนเหล่านั้นก็ไม่ทําให้เซลล์หินในสมองเราแตกนะแต่เพราะความโกรธต่างหาในใจเราความโกรธในใจเราต่างหากที่ทําให้เซลล์ในสมองแตกวันนั้นเนี่ยอย่าไปมองจ้องว่าคนโน้นคนนี้เป็นปัญหาหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นปัญหาแต่ให้ลองมองกลับมาว่าไอ้ความกลัวความเกลียดความโกรธ หรือความรู้สึกในใจเราต่างหากที่มันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นตัวการที่ทำให้ปัญหามารุนแรงมากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะความแก่ความเจ็บก็เป็นธรรมดาแต่พอเรามองเป็นปัญหาเมื่อไหร่เราแย่ทันทีเลยสิวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับวัยรุ่นแต่พอวัยรุ่นเนี่ยมองว่ามันเป็นปัญหา อาจจะเป็นเพราะว่าสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์พอเด็กเ้ามองว่าสิวเป็นปัญหานะโอ้ยเขาทุกข์เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับความอ้วนบางทีก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่พอมองเป็นปัญหาก็ไปกินยาลดความอ้วนบางทีถึงตายก็มีไม่ให้ตายเพราะความอ้วนนะแต่ตายเพราะว่าความกลัวอ้วน ความเกลียดข้วนทำให้ขวนขวายไปหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนี่เราต้องต้องกลับมารู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจดยเพราะสามกเ น, นี่นะกลัวเกลียดแล้วก็โกรธไอที่เราเครียดในการปฏิบัตินี่ก็เพราะว่ามันมีสามตัวนี้คอยแฝงอยู่เช่นเกลียดความฟุ้งซ่านเพระไปรักความสงบ ก็เลยเกลียดความฟุ้งซ่านบางทีก็โมโหตัวเองว่าทําไมใจไม่สงบสักทีโกรธตัวเองเกลียดตัวเองหรือว่าเกลียดความฟุ้งซ่านเกลียดสิ่งที่มารบกวนจิตใจซึ่งทําให้เราไม่สามารถจะวางใจเป็นกลางได้ด้วยเลยทําให้ทุกข์หนักเข้าไปใหญ่ั น, นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องฉลาดในการรู้ทัน การวางใจใเป็นกลางเนี่ยสำคัญมากเลยในช่วยทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างที่พูดเมื่อวานว่ามันมันก็ไม่ต่างจากมานะที่จะมาชักชวนมายั่วย้าหรือว่ามาชักใยให้เดือดเสียแต่ว่าเราเพียงแต่ รู้เฉยๆรู้เฉยๆหรือว่าจะดูยวงห่างก็ได้หรือใช้คาถาช่างมันช่างมันอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราไม่ตกอยู่ในอํนนานาจหรืออิทธิพลของมันก็ทําให้การปฏิบัติเป็นปกติหรือว่าคืบหน้าได้พัญหาของการปฏิบัติอีกอันหนึ่คือว่าความอยากจะเห็นผลไวๆ อยากเห็นผลไวๆบางทีทำแค่นี้มองไปไกลถึงข้างหน้าแล้วว่าเมื่อไหร่จะเห็นผลสักทีอันนี้ก็เป็นความอยากที่มันทำให้เรายิ่งเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังมากขึ้นถึงขั้นซีเรียสการปฏิบัตินี้หลวงพ่อเทียนท่านเคยย้ำอยู่เสมอกับลูกศิษย์ว่าให้ทำเล่น ทำเล่นๆแต่ทําจริงๆทําเล่นๆหมายความว่าให้ทําใจสบายๆอย่าไปอยากจะไปทํำด้วยความอยากแต่ว่าทําจริงๆก็คือว่าตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาก็ทําเลยทุกอย่างให้ถือเป็นการปฏิบัติตั้งแต่อาบน้าถูฟันล้างหน้าบินทบาทเดินมาศาลากินข้าววันนี้ ปฏิบัติเจริญสติได้ทั้งนั้นแล้วก็ควรทำด้วยในรียาการก็ทำแบบเล่นๆไปนะมันจะฟุ้งบ้างก็ช่างมันเรามีเวลาเยอะนะอย่าไปรีบบางคนทำแล้วก็คอยนับวันว่าโอ้นี่ผ่านมาแล้วสามวันเหลือต้องสี่วันฉันจะได้อะไรไม่เนาะ หรือบางทีก็นึกอีกแบบนึงว่าโอ้ยอีกต้องสี่วันแร์นี้ก็เบื่อเต็มทนแล้วแบบนี้ก็มีซึ่งคนที่เบื่อจะเป็นเพราะว่าทำเต็มที่แล้วมันยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่การปฏิบายนี่มันมีหลักนะคือว่าทำเต็มที่แต่อย่าซีเรียสทำเต็มที่แต่อย่าซีเรียสก็คล้ายๆที่หลวงพ่อเขีนบอกว่าทาเล่นๆแต่ทาจริงๆนะ ทำเต็มทมี่ไม่ต้องซีเรียสก็ได้ที่เราซีเรียสเพราะเราไปหวังผลไงเราไปหวังผลแล้วก็ไม่ใช่หวังหวังสูงเท่านั้นแต่หวังให้มันเกิดขึ้นเร็วๆพอมันไม่ได้อย่างที่ใจเราหวังก็เลยเครียดเลยซีเรียสขึ้นมาและยิ่งหวังมากเท่าไหร่ยิ่งทําได้ไม่นานเพราะความหวังที่สูงอยากจะให้เกิดผลลุ้นเร็วนี่พอมันไม่ได้อย่างที่หวังก็จะผิดหวังแล้วก็ทําให้เกิดความท้อได้ง่าย เกิอดอารมณ์ทั้งโกรธทั้งโมโหทั้งไม่พอใจให้วางผลซะวางผลให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดแม้กระทั่งพรุ่งนี้อย่างค่ำนี้เราก็ทำค่ำนี้ให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งไปสนใจวันพรุ่งนี้บางคนนี่นับวันแล้วนะนับถอยหลังแล้วยิ่งนับถอยหลังเท่าไหร่ ย, ยิ่งเป็นทุกข์ แต่ถ้าเราลืมไปเลยนะว่าเราจะกลับบ้านเมื่อไหรเราจะทําชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดทํานาทีนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้ฉันจะทําคืนนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ก็ปเป็นเรื่องของพรุ่งนี้พอถึงพรุ่งนี้เช้าเราก็ทําตอนเช้าให้ดีที่สุดเดี๋ยวไปสนใจตอนบ่ายเดี๋ยวไปสนใจตอนค่ํา ถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีซอยย่อยตั้งแต่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ซอยมาเป็นว่าทําเช้านี้ให้ดีที่สุดทําค่านี้ให้ดีที่สุดจนทั่งซอยหรือว่าทําชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดทําวินาทีนี้นาทีนี้ให้ดีที่สุดเราจะพราบว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายของยากจะกลายเป็นของง่ายมีนักไตล่ลวดคนหนึ่งนะชาวฝรั่งเศสแกเป็นคนแปลก อันนี้เกิดขึ้นเม่อสาสิบสสิบปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เริ่มมีการก่อสร้างตึก World Trade c e n t e นะ o r l d Trade Center นี่ก็เป็นตึกที่ถูกทำลายไปแล้วนะเมื่อวันที่สิเบเ็ดกันยาเครื่องบินสองลำเข้าไปชนตึก w o r World Tra รตที่อเมริกากรุงนิวยอร์กจนถล่มเราคงจำได้เมื่อสิเบเ็ดกันยาศูนย์หนึ่งก็คือสี่สี่ ตอนที่เริ่มมีการประกาศสร้างครั้งแรกเนี่ยว่าตึกนี้จะสูงที่สุดในโลกเนี่ยนายคนนี้นายเปอร์ตีเนี่ยฟิลิปเปอร์ตีก็ไฝฝันว่าจะไต่ลวดที่ขึงระหว่างตึกสองตึกและพอสร้างเสร็จประมาณปีพัน0กเจ็ดสิบเนี่ยเขาก็หาทางแอบขึ้นไปถึงยอดตึกตึกวอลเชนี่มันเป็นตึกแฝดตึกคู่นะ แล้วก็ยอดตึกสองตึกนี้มันเท่าๆกันเลยมันเหมาะม า, สะากสําหรับการไต่ลวดระหว่างยอดสองยอดเขาก็เอาธนูขึ้นไปแล้วก็ยิงนะเพื่อขึงเชือกระหว่างตึกสองตึกนี้ตึกที่มันสูงมากนะสี่ร้อยเมตรครึ่งกิโลระยะห่างระหว่างสองตึกนี้ก็ร้อยเมตรได้มั้ง แล้วเขาก็เช้าตู้เขาก็เริ่มไต่ลวดคนข้างล่างนี่เห็นเหตุการณ์ก็ไปเรียกตำรวจตำรวจก็รีบขึ้นไปแล้วก็รอจับตัวเขาแต่เขาไม่สนใจเขาก็เดินไต่ลวดโดยมีมีไม้ไม้ยาวๆถือเอาไว้สองมือเพื่อทําทให้เกิดสมดุลเขาเดินไปจนถึง สุดอีกตึกหนึ่งแล้วเขาก็เดินกลับมาอีกตำรวจก็รออยู่เตรียมคว้าตัวเขาพอเข้าใกล้ถึงตำรวจเขาก็หันหลังกลับแล้วก็เดินกลับไปที่ยอดตึกอีกเดินกลับไปอย่างนี้อยู่เจ็ดครั้งประมาณสี่สิบห้านาทีโดยไม่ตกเลยนะเชือมนี่มันก็ขนาดเชือกสลิงนั้นะเขาเดินจนเบื่อนะเสร็จ แ, แล้วเขาก็ยอมให้ตารวจจับก็ กลายเป็นคนดังต่อมามีคนไปถามเขาว่าเขาทำได้ยังไงเพราะว่าไห้เดินบนบนลวดเดียวมากนะแล้วนี่ไม่ได้เดินแค่เที่ยวเดียวเดินตั้งเจ็ดเที่ยวเขามีเคล็ดลับยังไงเขาบอกผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากผมแค่แค่ขยับขาแต่ละข้างขยับเท้าให้มันมาอยู่หน้าอีกเท้านึง ถ้าทำนี้ไปเรื่อยๆคือเขไม่สนใจว่าจุดหมายมีอยู่ที่ไหนก็สนใจแต่ว่าแต่ละแต่ละก้าวแต่ละก้าวเขาก็ทําให้มันดีทําแต่ละก้าวแต่ละก้าวให้มันดีสนใจแค่นั้นแล้วเขก็สามารถที่จะทําสิ่งที่ยากให้กลายเป็นการเป็นสิ่งที่ง่ายได้คือบางทีชีวิตเรานี่ก็ไม่ต่างจากการไต่บนเส้นลวดนะชีวิตของคนของคนเราแต่ละคนเนี่ยไม่ต่างจากการไต่ ไตลวดศิลปะในการที่เราจะเลี้ยงตัวให้ดีโดยไม่ตกลงมาตายก็คือการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวจุดหมายมันจะยาวแค่ไหนก็อย่าไปสนใจสนใจกับแต่ละก้าวแต่ละก้าวให้ดีนี่ขนาดงานงานที่เสี่ยงเขาก็ยังใช้หลักเดียวกัน หลักง่ายๆซึ่งจะเป็นหลักเดียวกับที่เราใช้ก็คืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่กับชั่วโมงนี้นาทีนี้ให้ดีที่สุดจะไปสนใจจุดหมายปลายทางวางลงเสียแล้วเราจะพบว่าไองานยากๆสิ่งที่ดูเหมือนยากนะมันก็กลายเป็นง่ายขึ้นมา